ถ้าหากว่าเร า, เาไม่เข้าใจเรื่องเหตุเกิดความดับอัศาธาอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนะเห็นก็เห็นแต่นามเห็นแต่นามในรูปเท่านั้นนะอันนี้พูดเชิงตะเชิงมินนะไม่ใช่พูดเชิงเชิงยกย่องนะในในคัมภีร์มหานิเทศนะที่เป็นพุทตพจน์เนี่ยท่านยังกล่าวไว้อีกนะครับว่า้การเห็นอย่างนี้เนี่ยอนามรูปอย่างนี้ท่านกล่าวว่าไงรู้ไหมฮะท่านกล่าวบอกว่า เห็นกันอยู่แล้วท่านว่าอย่างนี้ครับไอ้ของพันอย่างนี้เนี่ยมันเห็นกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนอะไรขนาที่เรียกว่ามันเห็นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอะไรนักหนาเนี่ยไม่ใช่ของอัศจรรย์อะไรท่านบอกว่าเห็นกันอยู่แล้วนะในขั้นเอ่อในขั้นที่มันเป็นยาตาปริญญานะฮะท่านบอกว่ามันเห็นกันอยู่แล้ ว, วเพียงแต่กําหนดสองสามวันก็รู้หมดแล้วท่าว่าอย่างนั้นด้วยนะครับในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วนะท่ารู้กันรู้อยู่แล้ว แล้วในวิสุทธิมักยังบอกอีกนะฮะบอกว่าเพียงสองสมวันก็พอแล้วมั่งทำไมอย่างนั้นนะครับสำหรับพิกผมไม่ทราบมาอุกติทันยูหรือว่าอย่างอย่างพวกเรานี่นะครับอของพวกเรานี้สังเกตดูว่าเราไม่ได้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาไค้ครวนกันจริงๆเลยคือว่าไม่ได้ประกอบภาวนานนโยกนะไม่ได้ตามประกอบมาดียอบรมเอาเป็นการเป็นงานเพราะสิกขา อะไรนะสงสัยในศิขาในเจโตขีลสูตรเนี่ยกล่าวถึงความสงสัยอาประการข้อแรกสงสัยในคุณของพะตถาคตข้อสองสงสัยในพระปริยัติธรรมเป็นต้นข้อสามสงสัยในพระอริยสงข์ข้อสี่สงสัยในศิขาข้อห้าทะเลาะกับเพื่อนนะก็ว่ามีความขัดแย้งกันในในมูมสาพรมจารีด้วยกันเนี่ยนะ ทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่าตะปูตรึงใจเป็นตะปูตรึงใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเจโตวินิพันธะเครื่องผูกพันใจถ้าผู้ที่ยินดีติดใจในกามติดใจในรูปติดใจในรูปติดใจในกามเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เรียกว่าเครื่องผูกพันใจอันนี้เป็นเหตุไม่ให้เจริญความเพียรไม่ให้ทำความเพียรอย่างต่อเนื่องเป็นต้นอีกนิดหนึ่งนะครับ ที่เมื่อกี้ท่านกล่าวบอกว่าตะปูตึงใจเนี่ยมันเขาว่าสงสัยในในคำสอนใช่ไหมครับเจทดพอ่ามีมีหลายท่านทีเดียวนะครับที่เข้าใจว่าพัะไตรปิฎกนี่นะครับเชื่อไม่ได้หมดพเพราะว่าไปตั้งสมมติฐานว่าผู้แปลนั้นไม่ได้เรียนพระพิธรรมมาถึงแม้จะได้เป็นพระมหาเป็นเป็นเทระเป็น ที่มีความรู้ทางบาลีสูงๆแล้วก็ช่วยกันแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเนี่ยมาเป็นภาษาไทยนี่นะครับท่านแปลโดยที่ไม่เข้าใจอักถะแล้วท่านก็เหมาเอาว่าท่านส่วนใหญ่แล้วแปลแล้วมันผิดพลาด <S S S 1> <c oughs> เพราะว่าไม่มีความรู้ในพระอภิธรรมเลยท่านตั้งสมมติฐานอย่างนั้นซึ่ง ไม่ทราบว่าพระเถระในสมัยโบราณนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้พระวิธรรมทุกองค์นะครับใช่แ ล, แล้วก็อาจจะมีข้อความบางข้อความที่ทําให้เห็นว่ามันไม่ตรงกับพระวิธรรมนั้นก็เลยเหมาเลยว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเชื่อถือไม่ค่อยได้หมดท่านวายอย่างนั้นก็เป็นการเป็น ต, ตปูตัวหนึ่งเหมือนกันนะนผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็มีคนแนะนําวิธีนี้เนี่ ย, ย, ยก็บอกว่าช่วยหาไอ้ที่ผิดให้หน่อย มันมีอยู่กี่แห่งตรงไหนบ้างผิดกับสูตรไหนทําไมจึงผิดเป็นต้นเนี่ยนะเขียนให้มันเป็นล่ําเป็นสันเลยนะแล้วก็ได้ส่งไปให้กับกลุ่มที่เขาพิมพ์ว่ากัน้นคือคือถ้าเรามีความสามารถจริงขนาดนั้นเนี่ยนะที่ที่วินิจฉัยได้เก่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสมมุติฐานบางอย่างนี้ไม่ใช่เอาความรู้สึกเข้าว่า น, นะนะความรู้สึกเข้าว่าเนี่นะถ้าหากว่าดูในที่เดียวหรือมีทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ย มันดูยังไงมันก็ผิดแต่ถ้าหากว่าค่อยๆดูแล้วเทียบเคียงใช้พยัญชนะต่อพยัญชนะเทียบเคียงวันก่อนก็คุยกับบางท่านว่าอย่าลืมนะพระพุทธพจน์เนี่ยที่ลักษณะเดียวกันไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์เดียวอย่างยกตัวอย่างไอเรื่องเจโตเนี่ยตะปูตรึงใจเนี่ยนะตะปูตรึงใจห้าอย่างไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์เดียวอนนอย่างเรื่องสูตรของคนเลี้ยงโคไม่ได้มีอยู่คัมภีร์เดียวมีอยู่หลายแห่งเนี่ยนะ อย่างเรื่องขันเป็นต้นเนี่ยไม่ได้มีในขันทวรวักอย่างเดียวในมัชฌิมนิกายก็มีอย่างเช่นในขันทวรวักมีมหาปุญญ น, นมาสูตรเนี่ยนะปุญญ น, นมสูตรมัชฌิมนิก า, กายก็มีปุญญ น, นมสูตรอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นในในเรื่องเรื่องเดียวเนี่ยสามารถติดตามได้ตั้งหลายแห่งเนี่ยนะซึ่งเราไม่ควรที่จะอมองในแง่เดียวเนี่ยนะส่วนที่พยัญชนะตกหล่นบ้างงานมันใหญ่โตขนาดนี้เราก็ต้องยอมรับนะ ถ้าคนที่เคยทําหนังสือมาก็จะรู้ดีว่าแหมไอ้อักษรตกหล่นเนี่ยนะมันเราก็ว่าเราดูเนียบแล้วล่ะก็ยังวันหลังมาอ่านเอาตกไปได้เนี่ยนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งซึ่งเราก็ควรจะให้อภัยเพราะตําราของเขาไม่เด็ดเป็นเล่มสองเล่มแล้วคนที่มาทํางานเหล่านี้เขาก็ไม่ได้มีอาชีพเดียวว่างั้นแต่เขาก็ทําอย่างอื่นเป็นต้นเขาก็ยังมีครอบมีครัวเป็นต้นเนี่ย ซึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าเอ า, เอ า, เ, อาเอาข้อความบกพร่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นประเด็นหลักทำให้เรามีจิตคิดเป็นอื่นในในคำสอนไปเลยหรือว่าเข้าใจเป็นอื่นจากข้อความในพระไตรปิฎกไปเลยเอาย้อนไปหาเรื่องศีลเราคืนหน่อยเนาะ เรื่องศีลนี้มีคําถามอยู่กี่คําถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยนะมีกี่คําถามนะมีเจ็ดคถามนะคำถามที่หนึ่งนะถ้าเราจะรู้เรื่องศีลได้เราต้องสามารถตอบคําถามเจ็ดคำถามนี้ได้เราจึงจะชื่อว่าเข้าใจในเรื่องศีลเป็นอย่างดีคําถามที่1มีอยู่ว่าอะไรคือศีลนนะนะอะไรคือศีลตอบได้เลยนะักศึกษาทั้งหลายอะไรคือศีล เจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลอวีติกรมะเป็นศีลชื่อว่าศีลอ่าเพราะอัตถาว่าอะไรชื่อว่าศีลเพราะอัตถาว่าศีลนะศีลนะชื่อว่าศีลเพราะอัตถาว่าศีลนะคือความเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีและรองรับซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้คืออัตถะของศีลที่เรียกว่าศีลนะ ศีลมีลักษณะคือสภาวะเข้าเป็นอย่างไรสภาวะของศีลก็คือศีลละนะนั่นแหละเป็นลักษณะเป็นสภาวะของศีลต่อไปศีลมีกิจอย่างไรกิจของศีลคือกําจัดความทุศีลถึงพร้อมอย่างไรศีลเนี่ยคำว่ากิจเนี่ยนะหรือรสะเนี่ยนะรสะมีสองความหมายคือกิจกับสัมปัติกิจของศีลก็คือกําจัดความทุศีล สัมปัติของศีลก็คือหาโทษติเตียนไม่ได้หรือว่าไม่ไม่มีคุณอะไรที่น่าติเตียนไม่มีโทษเลยศีลมีอะไรเป็นอาการปรากฏความสะอาดเป็นอาการปรากฏความสะอาดกายวาจาใจเป็นอาการปรากฏศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีหิรโอตปะเป็นเหตุใกล้อันนี้คำถามที่สามว่าอะไรเป็นลักษณะรัศกาปจุปทานและปธาฐานของศีล คำถามที่สีว่าศีลมีอะไรเป็นอนิสงส์อนิสงส์ของศีลเป็นอย่างไรข้อแรกศีลเป็นเหตุแห่งพวกรั้บนะเป็นต้นนั่นเองในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็ว่าศีลเป็นเหตุแห่งอวิปปิสารกลุ่มที่สามก็คือสามารถเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเพื่อนพรหมจารี์เป็นต้นจนถึงมีอาสวะเป็นสิ้นอาสวะเป็นที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ พูดถึงที่พึ่งของกุลบุตรในศาสนานี้ใช่ไศียรเนี่ยอา น, นิสงของเขาก็คือเป็นที่พึ่งแล้วก็สศีร น, นี้กำหนดอา น, นิสงหรือปริมาณว่าเมียอา น, นิสงเท่าไหร่ไม่มีใครกำหนดได้อนะแล้วก็สศียรนั้นเป็นเหมือนกับน้ำที่ชําระมนทินคือความเศร้ามองให้แต่สัตว์เศียเนี่ยนะเป็นของเย็นที่ระงับความเร้าร้อนได้ เศษเนี่ยมีกลิ่นหอมเหมือนกันจะกลิ่นแห่งเีษเนี่ยกลิ่นหอมไปทั้งทวน ล, ลมบันไดสวรรค์ประตูนิพนธ์เครื่องอลังการที่งดงามนนเครื่องประดับคือศีษแล้วก็สิ่งสิ่งที่ขจัดปัดเป่าภัยทั้งหมดนะนะเครื่องกําจัดภัยว่าสิ่งที่เป่าภัยอ่ะขจัดปัดเป่าออกไปเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายเีษ น, นี้ ให้เกียรติและความบันเทิงนะครอยากมีเกียรติอยากมีความบันเทิงก็รักษาศีลเนี่ยนะแต่ถ้าศีลเป็นเหตุให้ไปสู่สกฤติโลกสวรรค์เนี่ยธรรมดาของศีลอยู่แล้วเนี่ยนะทานเป็นเหตุแห่งพหุสมบัติศีลเป็นเหตุแห่งภวะสมบัติแต่ตรงนี้เนี่ยศีลก็เป็นเหตุแห่งโภุสมบัติด้วยศีลเป็นเหตุแห่งภวะสมบัติด้วย แต่ถ้ากล่าวตามบารมีสิทธิ์นะทานเป็นเหตุแห่งโภกสมบัติศีลเป็นเหตุแห่งภาวะสมบัตินั่นนะในกุตตะนิกายจริยาปิดดกนี่พูดถึงลักษณะที่จะตุ ก, กะนี่ต<ม>อนลักษณะของศีลนี่นะฮะก็กล่าวไวส้สั้นๆเจตพัน <7. S 2> สั้นกล่าวบอกมีการสมาทานเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะฮะมีทุสยามีสามอย่างผมจำไม่ได้ มีการสมาทานเนี่ยเป็นลักษณะของสีเนี่นะแต่ผมดูในลักษณะของสีแล้วผมก็ยังงงๆอยู่นะเขาคือฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจลักษณะของสีนี่นะครับคือลักษณะของสีลจริงๆเนี่ยที่เขียนไว้ในในในวิสุทธิมังคนี่นะมีข้อสุดท้ายที่บอกเป็นที่รองรับของกุศลทั้งหลายเนี่ยนี่ น, นี่เห็ น, <จ>นชัดนะแต่ <จน S 1> อันแรกเนี่ยนะเป็นที่รวมของกายกรรมกรร ม, มดีอะฮะทั้งหลายเธอทาให้โพูดอย่างนี้นะว่า ตั้งไว้ด้วยดีตั้งกายไว้ดีตั้งวาจาไว้ดีไม่ตั้งไว้ดีนะยกตัวอย่างเนี่ยนะเช่นท่านยกตัวอย่างว่าคนสํารวมตาตั้งตาไวด้ดีใช่มไ ม, ไม่ไม่เลยล็อกแลกมองโหมองแบบน่าเกลียดมากเหมือนตาลิ ง, ง น, นะนะไม่ใช่ลักษณะก็สํารวมลงแล้วก็สํารวมมือสำรวมเท้าเนี่ยนะไม่แกว่งแขนเป็นต้นไม่นั่งแกว่งขาเป็นพวกเนี้ยลักษณะเนี่ยตั้งสํารวมไว้อย่างดี อันนี้คือคือพื้นฐานแต่ว่าตั้งไว้นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าตั้งไว้แบบนั้นอย่างนั้นเท่านั้นแต่หมายถึงว่าไม่ล่วงละเมิดเป็นบาปเป็นอากุสลทางกายและวาจาเลยไม่มีกายกรรมวจีกรรมใดที่เป็นไปกับบาปอันนี้คือคือสมาฐ า, นะ า, านะนะสมาฐานะเนี่ยนะคือไม่มีกายกรรมและวจีกรรมที่เป็นไปกับบาปและก็ รองรับซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงฉนันไอที่ว่าไม่มีกายกรรมวัจีกรรมที่เป็นไปกับบาปกับรองรับกุศลธรรมชั้นสูงนี่คือคำว่าศีลละนะเนี่ยนะคือนี่คือลักษณะของศีลจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นคือตัวของเขาเนี่ยเขาจะไม่ละเมิดออกมาทางกายทางวาจาที่ที่เป็นบาปเป็นอกุศลเลยแล ะ, ะพฤติกรรมอันนี้รองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้คือลักษณะของเขา แล้วก็ขัตธรถมของศีนี่นะในปฏิสัมพิธามาก็รู้สึกว่าใจประทัดรัดนดะีคือคือการสํารวมและการไม่ร่วงนี่นะขึ้นี่คืออัฏฐาของของศีลอ๋ออันนั้นถ้านี่ขยายเป็นรายละเอียดละ เ, เช่นขยายเป็นรายละเอียดว่า ส, สังวรก็เป็นศีลอวีติกมะก็เป็นศีนนี่นะสังวรก็คือเอางี้ก่อนศีนมีกี่อย่างใช่ไหม อะไรคือศีลก่อนเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวศรศีลอวิติกามาศีลทั้งสอย่างเนี่ยนะมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะหรืออัตถะของเขาศีลละนะศีลละนะ ค, ค, คืออย่างไรคือคือยังไงศีลละนะมีสองอย่างใช่ไหมตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายวาจาที่ไม่ละเมิดออกมาด้วยบาปและกุศลอันเนี้ยรองรับกุศลชั้นสูงๆต่อไปสี่อย่างนี้เนี่ยมีลักษณะศีลลนะ นี่คือลักษณะของเขาแล้วศีลอันนี้สี่อย่างนี้หน้าที่ของเขากําจัดความทุศีลออกไปอันนี้กิจของเขานะถ้าหากว่าสัมปติของเขาเขาเนี่ยมีคุณที่ไม่มีโทษอยู่ในนี้เลยนะเขาไม่มีโทษแล้วอาการปรากฏของสีอย่างนี้คืออะไรความสะอาดกายวาจาและใจะแล้วมีอะไรเป็นเหตุใกล้ศีลทั้งหมดเหล่านี้มีฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ น, นะแล้วอันนี้สอเขาคืออะไรบ้าง ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยทีนี้คําถามต่อไปว่าแล้วอะไรเป็นประเภทของศีลเหล่านั้นนะศีลเหล่านั้นมีกี่อย่างมานะมาจัดเรียงเป็นศีลหนึ 1, ่งศีลสองศีลสามศีล4ี่ศีลห้าได้ไหมก็คือเอามาจัดเรียงนะนะเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวด3ามหมวดสีหมวดห้าแล้วก็กล่าวถึงว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองของศีลอะไรเป็นความผ่องแผ้วของศีลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราได้ไปสี่คำถามแล้นะสี่คำถามเน้นนะ เอาใหม่นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือถ้าเอาไปตรึกเมื่อไรได้นะสบาย น, นะคือถ้าเอาไปตรึกได้นะแล้วกลับมาอ่านวิสุทธิมรรคใหม่นะโอ้ดีจริงๆเลย น, นะแต่ถ้าเอาไปตรึกไม่ได้เโอ๋ยนึกศีนหาวฟอดจะแสดงว่าโอ้ยสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเราก็มาด้วยบุญของเราเนี่ยนะนนะใช่แต่ถ้ามิลินถ้าปัญหานะใช้สั์เดียว รองรับกุศลธรรมชั้นสูงใช้คําเดียว่มวามิลินท้ปัญหาบอกอย่างนี้เลยแต่ก็แต่ใช้คําว่าควบคู่รวบรวมก็ได้นะคือไม่ล่วงละเมิดออกมาทางกายทางวาจาอันนี้ก็ได้แต่เห็นเห็นแต่ว่าสาระจริงๆของศีลนี่ก็คือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงแล้วการกล่าวว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยพุทธพจน์ยกย่องในายะนี้มากเช่น mm hmm. ในปฏิสัมพิธามัควิเวกถาบอก ว, ว่าการงานที่ ต้องใช้กําลังอย่างใดอย่างหนึ่งการงานอ น, นั้นอาศัยแผ่นดิน น, นะมีแผ่นดินเนี่ยนะเป็นที่รองรับเนี่ยนะเสร็จแล้วก็สามารถทําการงานนั้นๆได้ภิกษุก็ตั้งอยู่ในศีลแล้วก็เจริญอินทรียห้เจริญพระ5เจริญโพชงเจ็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แก็บนพื้นฐานแห่งศีลอันนี้หรืออ่าพีชะคามและภูดะคามพืชต้นไม้ใบหญ้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะงอกว่า ง, งั้นก็ต้องงอกบนแผ่นดิน แล้วก็กล่าวถึงกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเจริญขึ้นก็อาศัยศีลเป็นอย่างนั้นหรืออีกบางสูตรเนี่ยนะในในมัคคสังยุตเนี่ยนะเขบอกว่าดูการ พ, พิสูจน์ทั้งหลายมา gan เมื่อดวงอาทิตจะจะขึ้นมาเนี่ยนะนิมิตแห่งแสงอาทิติเอานิมิตแห่งการขึ้นของดวงอาทิตย์คือแสงเงินแสงทองถันใดมา gan น, นิมิตแห่งการเกิดขึ้นแห่งอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แก็คือ ศีลและสมา ธ, ธิิเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดว่างั้นอถ้ามีสิ่งนี้เนี่ยแสดงว่าใกล้จะฟ้าสางแล้วว่างั้นเออฟ้าสางแล้วนะดวงอาทิตย์จะขึ้นอยู่แล้วอริยมรรคจะขึ้นแล้วถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นก็กําจัดความมืดคือโมหะได้ของเราเรียนเรื่องแสงเงินแสงทองกันนะเนอะยังไม่ได้ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นง่ายๆหรอก มาเข้าถึงประเภทแห่งศีลเลยนะในหน้าสามสิบสี่เนาะบัตรนี้คําที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าก็ศีล น, นี้มีกี่อย่างคือในคําถามที่ห้าเนี่ยนะนะดังนี้ต่อไปนี้เป็นวิสัชนาในคํานั้นนะฟังคําตอบว่าเออศีลมีกี่อย่างก่อนอื่นศีล น, นี้ทั้งหมดทีเดียวจัดว่ามีอย่างเดียวโดยลักษณะลักษณะเขามีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือศีลละนะศีลละนะ ความเป็นศีลณะนะคืออะไรคือตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายกรรมวจีกรรมที่ไม่ไมีไม่มีโทษอะตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายกรรมวจีกรรมไม่มีโทษไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ไม่พูดเลยพูดแต่ว่าไม่มีโทษสองรองรับกุศลธรรมชั้นสูงนี่คือลักษณะของศีลละนะใช่ไหมคือ ลักษณะอันนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีการตั้งไว้ด้วยดีนี่นะครับเจนพาามจริงก็ตรงกับคําว่าสมาทานคือสมาทานไว้ครตั้งไวไง้ไวก็คือตรงกับสมาทานก็ตรงกับตรงกับในจริยาปิฎกของลักษณะของสีนะใช้ศัพท์เดียวกันแต่ไม่ใช่สมาทานที่แปลว่าแบบแบบแบบแบแ บ, แ บ, แบรั บ, รบสีเนี่ยนะสมาทานแบบนั้นนะไม่ใช่สมาทานแบบนั้นแต่ั้งไว้อแต่ก็ชื่อว่าตั้งไว้คือตั้งไว้ โดยอาการที่กายวาจาไม่ละเมิดออกมาคือตั้งใจไว้ว่าจะไม่ละเมิดอย่างนั้นเจนริพรคือกุศ ล, ลจิต ท, ที่เกิดขึ้นแต่ว่าตัวของเขาจริงๆคืออะไรคือเจตนาเป็นต้นเจตนาเป็นต้นที่ทำให้ให้ตั้งเอาไว้ไม่ให้กายวาจานี้ล่วงละเมิดออกมาด้วยอำนาจแห่งแห่งบาปแห่งอกุศลน่นะเพราะฉะนั้นศีลมีลักษณะอย่างเดียว ถึงศีจะมีมากประเภทก็จริงประเภทของศีมีทั้งเจตนาโอ้เจตนาก็ตัางหลายอย่างเจตสิกสังวรก็มีตัางเยอะอวีติกรมะอีกแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะก็มีลักษณะเดียวคือสีละนะเหมือนกับยกตัวอย่างเห็นสีในโลกเนี่ยโอ้โหวิจิตพิสดารสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะมาผสมกันเข้าโอ้เป็นสีที่ไม่พูดไม่จบไม่สิน้น แต่ว่าสีเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็คือสานิทัศนะคือเป็นอารมณ์ของจกักขูวิญญาณเท่านั้นนะนะพูดโดยลักษณะเดียวของสีคืออารมณ์ของจกักขูวิญญาณชั้นใดตัวศีนก็เหมือนกันเนี่ยนะโอยจึงจะมากมายขนาดไหนปาราชิกสีสังฆาทิเศษสิสามพระศีลของพระเยอะแยะไปหมดเหล่านี้นเป็นต้นนะย่อๆแล้วก็คือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงแค่นั้นเองโดยความหมายที่ประสงค์จริงๆลักษณะที่แท้จริงของศีคือ รองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันนัคือศีลเนี่ยนับอย่างหนึ่งก็ได้นับนับหนึ่งเดียวก็ได้ว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูง